คือตรงนี้ผมต้องขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าตอนนั้นที่ผมเด็กๆหรือว่าตอนที่ผมเริ่มจะศึกษาธรรมะอันผมก็ไม่ไม่ได้ปิดใจเปิดทุกศาสตร์แต่ของเต๋าของเซนของอะไรเนี่ยครับผมก็อ่านนิทานคําสอนของเซนนี่ครับคือผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออแล้วทําอย่างไรล่ะมันเหมือนกับเป็นนิทานที่ให้เห็นความจริงว่าบางทีมีลักษณะของของของเรื่องราวที่เป็นเรื่องของสังขปรินา ย, ยกที่ว่ากป่าจะคัดเลือกได้นั้นท่านหนึ่งบอกว่าเออ กระจกมันไม่ไม่ใสเพราะมีฝุ่นอ่ากระจกใสแล้วถ้าถ้าฝุ่นไม่มีแล้วสุดท้ายไม่มีกระจกอะไรเนี้ยี้ยมันก็สื่อสารกันพอจะรู้เรื่องว่าเออท้ายที่สุดนั้นไอตัวจิตตัวใจเลยก็ไม่มีพันสภาวะโล่งเป็นธาตุรู้อะไรแต่ว่าในในในขณะนั้นก็ตั้งคําถามสมัยเด็กๆว่าเออแล้วทํำยังไงอะ่ะให้มันซึ่งภาวะนี้มันก็ไม่มีใครมาตอบเลยไม่มีใครมาช่วยชี้แนะอะไรเลย พอไปถึงของกิษณมูรติอะไรต่างๆก็เป็นภาษาสำนวนของอาญาณนู่นนี่นั่นศึกษากระหนดแต่ว่าเออเราจะรู้ยังไงอ่ะจะทํายังไงได้แต่พอมาหลวงพ่อเทียนเนี่ยเขมารู้สึกตัวอ่ะมีวิธีการแล้วมีเทคนิคแล้วมีทักษะแล้วทําได้มันพอจะบอกได้ว่าเออมันมีเทคนิคอย่างนี้แต่พอทำํไท ำ, ทำไปทํามาทําไปทํามากลายเป็นเราอยากจะรู้เราตั้งท่าแต่พอมาเห็นเหมือนที่หลวงพ่อว่าเออเราถูกรู้เนี่ย มันมันไม่ค่อยตั้งท่าซะแล้วปัจจุบันนี้มันมันไม่ค่อยยกมือซะแล้วเพราะมันมีความรู้สึกนึกคิดว่าบางครั้งมันเหมือนกับถูกหลอกให้ให้ยกมือครับว่าเออต้องตั้งท่าอย่างนั้นต้องต้องต้องมีท่าอย่างนั้นต้องต้องเตรียมท่าอย่างนั้นซึ่งจนจนไ อ, อคนที่มาศึกษาความรู้สึกตัวนี่แตกไปเยอะมากเลยว่ารู้สึกตัวจริงๆนั้นใปใช้นิยามคํานี้แบบแบบตแบบีความหลากหลายเช่นบางทีรู้สึกตัวก็คือรู้สึกทั้งตัว บางครั้งก็รู้สึกตัวก็ก็เป็นรู้หลวมหลวงเพราะการรู้สึกตัวแบบเดิมๆที่เฉพาะมือเฉพาะเท้ามันเพ่งต้องรู้แบบหลวมหลวงเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าบางคนก็บอกว่าเออมันกับออกกําลังกาย ร, รู้รู้แบบนั้นหรือบางคนก็บอกว่าเหมือน ก, กับกระโดดแล้วก็รู้ทั้งหมดว่าเออเป็นเรารู้ทั้งหมดทั้งตัวอะไรต่างๆมันตอนหลังมันมันมีทัศนคติที่หลากหลายมากไปจนว่าเออเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับการตั้งท่าการใช้ร่างกายเป็นเป็น เป็นเป็นเครื่องวัดความรู้สึกตัวแต่เหมือนเมื่อกี้ที่หลวงพ่อได้สนทนาแล้วก็ได้บอกน้องเพลินว่าเออสังขารรู้ไหมเนี่ยเป็นสังขารที่พูดอยู่เนี่ยไอ้ น, นี้ก็ไม่ได้ตั้งท่าอะไรเลยก็เป็นรู้ตัวเหมือนกันดังนั้นนี่อย่างของความรู้สึกตัวมันมันมันไปไกลาจากการที่รู้เนื้อรู้ตัวหรือรู้สึกที่ตัวที่แขนที่ขาซะแล้ว ค, ครับกลับขอพระคุณครับอพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวนิดหนึ่งนะว่าคือจริงๆเนาะอาการเนี่ย อาการที่ตั้งท่าก็ดีอาการอย่างนู้นอย่างนี้ก็ดีนะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะแต่มันเป็นเป็นที่อาศัยนะเป็นที่อาศัยคือทําให้เกิดการระลึกได้อ่าบางั่นอย่างที่เราเดินก็ดีอ่ะเดินจริงๆไอ้ออ่าอากับกิริยาที่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าเดินอ่ะนะอันนี้ก็ไม่ใช่ความรู้สึกตัวแต่เป็นที่อาศัยนะใช้อาศัยเพื่อทําให้เกิดการระลึกได้ว่าอ๋อกําลังมีอาการอย่างนั้นอยู่อ่ะ เพรานั้นทุกอย่างเนี่ยสติปัฏฐานสี่นะไม่ว่ากายเวทานาจิตธรรมเนี่ยเป็นที่อาศัยให้เกิดการอ่าระลึกรู้อาศัยเป็นที่ระลึกอาศัยเป็นเครื่องรู้ใช่ไหมอืมอาศัยมันแล้วก็เพื่อให้เกิดปัญญาในในขั้นต่อมาก็ให้เห็นว่าอาการเหล่านั้นน่ะที่เป็นเป็นสิ่งที่อาศัยน่ะมันมีความไม่เที่ยงของมันใช่ไหมมีการก็เรียกว่ามีการเกิดขึ้นบ้างมีการเสื่อมไปบ้างนะแต่ส่วน ไอ้ตัวที่ระลึกรู้เนี่ยที่ไม่ว่าตัวสติเนี่ยในสติปัฏฐานนะนะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่มีมันไม่ได้มีอาการเลยมันไม่ได้มีอาการมันได้แต่ระลึกรู้คือมันเป็นรู้อ่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันมันมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมแต่การระลึกรู้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะมันคนสภาพธรรมะคนละอย่างกันอ่าไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะนอนอันนั้นน่ะก็เป็นอาการแต่การระลึกรู้เนี่ยมันไม่ได้เดิน ไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอ่ะทีนี้ถ้าเราจะเทียบเคียงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางจิตทางใจก็ดีการระลึกรู้หรือรู้เนี่ยมันไม่ใช่อาการแต่มันรู้อาการแต่เวลาเราปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยเราจะไปควบคุมอาการบ้างหรือจะไปทําอย่างโน้นอย่างนี้บ้างหรืเพื่อให้เกิดความถูกใจของเราอะนะมันจึงแบบผิดประเด็นไงผิดมันผิดไปหมดเลย ที่มันผิดเพราะอะไรเพราะยังไม่แจมแจ้งในเรื่องของสติปฐานว่าตัวสติจริงๆอ่ะไอ้รู้จริงๆอ่ะมันคืออะไรกันแน่หลวงพ่อเองอ่ะมีประสบการณ์คือตั้งหลายปีกว่าจะแยกได้ว่าอ๋อตัวสติหรือไอ้ตัวรู้นี่นะมันคืออย่างนี้เมื่อก่อนมันเข้าใจผิดมันเข้าใจผิดว่ามันคืออย่างนู่นอย่างนู้นก็คือเดินนั่นแหละตัวสตินั่งนั่นแหละคือสติมันเข้าใจผิด แต่พอรู้จริงขึ้นมาว่าโอ้ตัวสติมันไม่ได้เป็นอะไรนี่นะถ้าพูดถึงความเป็นนะตัวสติไม่เป็นอะไรนอกจากมันเป็นตัวสติอ่ะอันนี้พูดถึงเป็นแบบภาษาเนาะตัวสติไม่ใช่นั่งตัวสติไม่ใช่เดินตัวสติไม่ใช่นอนตัวสติไม่ใช่เออเป็นผู้ทําความเพียรคือมันไม่ใช่ทั้งหมดอะ่ะแต่มันได้แต่แต่รู้ว่าอะไรอะ่ะเออมีอะไรบ้างที่ให้รู้ อ, ะอ่ะอ่าเมื่อสติมันเข้าเมื่อมืดปัญญานาะเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ย สติเนี่ยก็ได้แค่ระลึกรู้เมื่อระลึกรู้อย่างนี้สติจึงไม่เป็นอะไรเมื่อไม่เป็นอะไรมันก็คือไม่ติดไม่ยึดอะไรอย่างนี้ถึงเขาบอกว่าเมือ่อเมื่อมีสติเนาะก็จะทำให้ไม่ติดไม่ยึดอะไรในโลกนี้ก็คือไม่ติดไม่ยึดอะไรก็ถูกต้องแล้วไงเพราะว่ามันเป็นสภาวะเป็นเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนนะมันก็ได้แต่รู้ได้แต่ระลึกรู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้ เออเพราะงั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้กันทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดก็กลายเป็นว่าจะเดินจะนั่งจะนอนจะตีลังกาจะอะไรถ้ามาระลึกรู้ได้หมดแหละถูกต้องหมดอ่ะอืเมื่อก่อนเนี่ยต้องย่องต้องช้าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้การย่องการช้าเนี่ยอันนั้นมันเป็นแค่สิ่งที่สติระลึกได้แต่เราไม่เข้าใจก็เลยทําย่องทําช้าพูดช้าเดินช้าพูดกินช้าอะไรก็ช้าไปหมดเลยเออตกลง เพราะว่าความเข้าใจผิดหลวงพ่อมีประสบการณ์ในเรื่องช้าเรื่องเร็วอะ่ะเออจริงๆรเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ช้ามากนะเหมือนกับผีดิบแล้วอะ่ะออกงานเวลามีมีเพราะว่าทำงานเนาะมีงานแบบสังสรรค์เลี้ยงกันอะไรเงี้ยเวลาก็ไปออกฟ้อนนะลำวงใช่ไหมมันเหมือนผีดิบเลยอะ่ะคือเหมือนกับว่าให้มีสติ ค, คือมันไปเพ่งไปจ้องอะ่ะแล้วก็มันกายเนี่ยมือเคลื่อนไปทางไหนรู้หมดเลยรู้หมดเลยแล้วมันก็ทื่อก็แข็งแล้วก็มันพร ตอนนั้นปฏิบัติผิดเนาะแล้วก็ช้าแล้วพอมาหลังๆเนี่ยก็ลองทดสอบว่าเออไอ้เรื่องรู้เนี่ยน่ะมันคืออะไรกันแน่ไอ้คาว่ารู้เนี่ยรู้นี่มันคืออะไรกันแน่เออเดินช้าช้ารู้ได้ไหมถามตัวเองอ่ะเนาะเดินช้ารู้ได้ไหมคําตอบมันก็บอกรู้ได้สิอ่าแล้วงั้นลองเดินเร็วๆสิรู้ได้ไหมมันก็บอกว่าก็รู้ได้ไงดังนั้นลองกระโดดสิรู้ได้ไหมรู้ได้ลอง ทำอะไรก็ได้ใส่หน้าอัสะบัดแรงๆรู้ได้ไหมรู้ได้แล้วก็แบบหลวงพ่อตอนนั้นยังไปคาบา้าด้วยเนาะลองไหนลองลองชกลมดิเหมือ น, นเป็นแบบนักมวยอนะ่ะเนาะเต้นแบบฟุตเบรกอะ่ะอะไรเนี่ยชกไปชกมาชกโยนเข่าอะไรก็ว่ากันไปอะนะแล้วถามตัวเองว่ามันรู้ได้ไหมคําตอบก็คือโฮมมันรู้ได้ก็เลยบอกเอา้าเมื่อรู้ได้อย่างเนี้ยทําไมต้องประคองด้วยอ่ะทําไมต้องประคองเดินย่องเดินรั่วเร็วก็รู้ช้าก็รู้เออเพราะตัวรู้เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้เร็วมันไม่ได้ช้า ใช่ไหมแต่อ so ันนู say say so um, ้นอัเร็วช้าเป็นสิ่งถูกรู้พอเข้าใจอย่างเนี้ยกลับมาสู่ชีวิตเป็นปกติหมายความว่าเป็นคนอย่างไงอ่ะเป็นคนที่เดินเร็วแบบไหนก็ให้เดินอย่างนั้นถึงเรื่องการพูดก็เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าพูดช้าๆให้มีสติปรากฏว่าทดสอบว่าลองพูดเร็วสิรู้ได้ไหมเอารู้ได้นี่ก็เลยพูดเร็วสุดท้ายก็กลับมาเป็นนิสัยเดิมก็คือว่าหลวงพ่อเป็นคนพูดดังพูดเร็ว ก็เลยใช้นิสัยนี้เอ้ามันก็ปกติดีแล้วก็ไม่ประคองรักษามันก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรเนาะเป็นธรรมชาติคือบางยาหั่งเนี่ยมันสอนให้เรียนรู้เยอะแต่ตรงนี้หลวงพ่อก็เห็นเหตุแล้วว่าทําไมอ่ะคนเราถึงไม่ไม่เข้าใจในบางเรื่องเพราะว่าตัวสติปัญญาเนี่ยหลวงพ่อคิดเอาเองนะคือมองเอาเองว่ามันสะสมมายังไม่เพียงพอที่จะให้ให้รอบรู้หรือว่ารู้รอบนะมันยังไม่เพียงพอเพราะนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ของชีวิตนั่นแหละ ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันก็สอนอยู่เรื่อยแหละ ว, ว่าเอออะไรเกิดแล้วยังไงยังไงเดี๋ยวมันก็เป็นปัญญาค่อยๆสะสมไปนะอันนี้เรื่องนี้หลวงพ่อประโมทตอนนั้นหลวงพ่อไปเรียนท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าที่มันไม่รู้เพราะว่าปัญญามันยังไม่เต็มรอบเออมันยังไม่เต็มรอบเพราะฉนั้นอย่างส่วนห้องคาร์เพาของเราก็ตามเนี่ยนะนะจะพูดให้อีกคนหนึ่งสมว่าเขาไม่เข้าใจนี่ยนะจะพูดเท่าไหร่เท่าเท่าไรเท่าไรเนะี่ยบางที ยังไม่ถึงคือปัญญายังไม่ถึงเต็มรอบก็ยังไม่เข้าใจแต่คนที่เข้าใจมาแล้วสะสมมาแล้วอะไรเยอะบางทีพูดนิดเดียวก็เข้าใจเข้าใจอะไรเงี้ยเพราะงั้นเรื่องปัญญามันมันให้กันไม่ได้ไงแต่เพียงแต่บอกชี้แนะชี้นําเพื่อให้เป็นเหตุปัจจนะัยเนาะให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้แหละที่ก็บอกเรื่องบัวสีเหลาก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เข้าลักษณะเนี้ยเป็นที่สิ่งที่สะสมประสบการณ์ของชีวิตจ้าสาธุค่ะก็ จริงๆกรารระลึกรู้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นการตั้งสติเพื่อให้ให้พิสูจน์อีกจุดหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยถ้าเราตามถ้าตามรู้อยู่เรื่อยเนี่ยตามจิตอยเรื่อยก็เหมือนกระตุ้เงาไปเรื่อยๆค่ะนะคะแต่เป้าหมายอยู่ที่ต้องพยายามเพียงแค่รู้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเวลาตามรู้แล้วเวลาโลบมันก็จะหยุดมันได้แล้วโกรธก็หยุดมันได้อาจจะหยุดได้ในบางกรณีนะแต่ว่าไม่สามารถหยุดได้ในทุกกรณี แต่ว่าได้ถาวรอย่างเต็มที่เดี๋ยวถ้าหยุดจิตได้แล้วเนี่ยต่อไปจะหยุดได้ทุกกรณีก็ต้องทําจิตให้รวมให้ได้อะไรเงี้ยนะคะจนในหลังก็คือพัฒนาขึ้นไปอีกนะคะเออเร่นเชิญคุณมาโนเทโนนะคะไม่ทราบว่าอ่านจุดหรือเปล่าขอบคุณ ค, ครับขอบพระคุณหลวงพ่อออสครับผมวันนี้ได้ยินก็ตอนเช้าพอดีเปิดฟังอีกคลองหนึ่งของหลวงพ่อใน youtube ก็มาได้ฟังคืนนี้ก็เข้าใจมากขึ้นนะครับ ที่ผมเกิดความความเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ขอความที่แน่ใจหลวงพ่อด้วยนะครับคือผมรู้สึกว่าไอ้การะระลึกรู้เนี่ยจริงๆมันแว บ, บเดียวเองพอแว บ, บเดียวเสร็จแล้วมันก็จะมีเราที่มันคล้ายคล้มันคิดปรุงอะแล้วมันก็จะตกไปในสังขารจะเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุ ก, ทกครั้งไปแล้วก็เราก็ คล้ายๆมันจะเกิดความคิดวิเคราะห์คิดสรุปรวบยอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาผมมักจะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆเลยพอมาฟังฟังหลวงพ่อผมเลยเนเอ๊ะเหมือนกับว่าจริงๆถ้าถ้าเป็นรู้จริจรงๆเนี่ยมันคือมันมันรู้แวบเดียวเองเพราะว่าถ้าถัดจากนั้นไปปุ๊บสังขารมันก็จะเข้ามาของเนื้อที่นทีหน้าที น, นทึงเราคือรู้รู้ต่อไปว่าสังขารกํราลังครอบละ ตัวนี้กําลังมาละก็รู้ต่อไปเมื่อมันกำลังมาละมันกําลังมาละเราก็ฝึกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆให้มันไวต่อสังขารที่มันเข้ามาปรุงมามาแทะไอ้ตัวรู้ตรงนี้ไม่ทราบว่ า, าเข้าใจอย่างนี้จะถูกไหมครับอันนี้คือแนวทางในการฝึกจ ะ, จะใช่อย่างนี้หรือเปล่าครับอ่าที่เล่ามาเนาะที่เล่ามาทั้งหมด เป็นอาการเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยเช่นคําว่าเว็บเดียวเนี่ยนะเว็บเดียวเว็บเดียวเนี่ยก็คือสภาพเหมือนกับว่ามันมีเขาเรียกว่ามีสิ่งนั้นจริงคือเหมือนกับว่าเว็บเดียวนะเว็บเดียวเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวเนี้มันเป็นสิ่งถูกรู้สาคัญนะที่หลวงพ่อใช้คําว่าสิ่งถูกรู้กับผู้รู้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งที่โยมเล่ามาเนี่ยนะไอ้พวกนั้นเน่ยเป็นปรากฏการณ์เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นจริงๆเนาะ รับรู้ได้จริงแล้วก็มันก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วจริงตรงนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเขาเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเองหมายความว่าไม่มีใครที่จะไปกำหนดให้เป็นอย่างที่เราต้องการเราปรารถนานะแต่ถ้ามองในภาพรวมก็สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทำไมจึงเรียกว่าสิ่งนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปก็เพราะว่ามันเคยเกิดแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วมันก็ดับไป แล้วสิ่งที่เกิดที่ดับตรงนั้นเนี่ยมองให้ออกว่าโอ้มันเป็นสภาพธรรมะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในขณนะนั้นแล้วมันก็ดับจริงๆมันไม่ใช่เรานะเออมันไม่ใช่เราแล้วทีนี้มาย้อนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็คือตอนเนี้ยตัวเราเนี่ยที่เป็นเมื่อกี้สักครู่เนาะแต่จริงมันตกเป็นอดีตไปแล้วที่ถามว่าผมปฏิบัติอย่างเนี้ผมเข้าใจถูกไหมหรือว่ายังไงผมจะทํำยังไงต่อไปอันนี้ก็เป็นความเห็นผิด เป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่ายังไงเข้าใจผิดว่ายังมีตัวตนยังมีตัวผมนะตรงนี้จะต้องก็ เ, เรียกว่าจะต้องทำลายความเห็นผิดให้ได้โดยให้เร็วที่สุดเพราะว่าความเห็นผิดอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าเอ่อถ้าสมมติว่ามีความเพียรในการปฏิบัติทำนูำน่นทานี่ทั้งไปวัดไ ป, วไปนู่นไปนี่เข้าสำนักปฏิบัติตา่ตางๆนะแต่ยังเห็นว่า ยังเห็นผิดอยู่ว่าเราเป็นผู้ไปเราไปเป็นผู้ไปเรียนธรรมะเราเป็นผู้ปฏิบัติถ้าความเห็นผิดอย่างเนี้หมายความว่าถ้าไม่เห็นถูกเมื่อไหร่ก็หมายความว่ามันยังมีความเห็นผิดแล้วถ้าเห็นผิดอยู่อย่างเนี้เรื่อยไปเรื่อยไปไม่เห็นถูกสักทีมันก็จะเนิ่นช้าเนิ่นช้าก็หมายความว่าชีวิตเนี้ยเผลอเผอเนี่ยบางทีมันอาจจะตายไปเยียก่อนเนาะกลายเป็นว่าการเห็นถูกความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิอะนะ มันยังยังไม่เกิดขึ้นก็ทำให้เสียเวลามากเพราะฉะนั้นจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความเป็นตัวตนให้ได้โดยเร็วที่สุดว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในขณะเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้ อ, รรอย่างเมื่อกี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนาะเป็นสิ่งที่เรารู้ไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกรู้ซึ่งไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งถูกรู้ แต่ตัวเราเนี่ยที่เห็นไม่ได้ก็คือว่าผู้รู้เราที่เป็นผู้รู้ที่รู้ว่ามันแวบเดียวมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่ายังมีตัวเราเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นจะต้องเห็นตัวเราผู้รู้ตัวเนี้ยผู้ที่รู้ว่ามันแวบเดียวนะให้รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วแล้วก็รู้ว่าไอ้สิ่งถูกรู้เนี้ยมันก็เป็นแค่สังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วก็เกิดดับเหมือนกัน ให้เห็นอยู่ในปัจจุบัขนขณะนี้เดี๋ยวนี้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยนะไอ้ตัวเราเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีที่กำลังคิดสงสัยกำลังไม่เ่มแจ้งในในคำอธิบายของหลวงพ่อ ก, ก็ดีไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสังขารปูนแต่งแล้วก็หลงเขาเรียกว่าอย่าไปหลงยึดถือว่ามันเป็นตัวตนของเรามันเป็นแค่สภาพธรรมะที่กำลังมีปรากฏแล้วมันสุดท้ายมันก็แตกดับไป ให้ปล่อยวางก็คือว่าไม่หลงยึดถืออ่ะมันมีอยู่แต่ไม่มีผู้ยึดมันมีอยู่แต่ไม่มีผู้ยึดเพราะฉนั้นให้รู้ตัวในปัจจุบันอย่างนี้เลยไปยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้ฟังผู้พูด ผ, ผู้คิดผู้สงสัยผู้มาเข้าห้องขับธรรมะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวตายเป็นตัวที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือมันเป็นอะไรล่ะบนอย่างที่เราได้เรียนมาแล้วล่ะคือมันมันเป็นสันติไม่เที่ยงนะั่ะนะเออละปล่อยวางมึงเสียให้เห็นแจ้งในปัจจุบัน พอไหวนะแบบนี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยครับคบก็ก็ชัดเจนขึ้นแะครับผมสงสัยว่าแล้วอย่างถ้าเราบอกตัวเองว่าเราไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นเป็นเนื้อหาอีกอันหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาให้เราเราเราก็เห็นตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับว่าอันนี้เรากำลังบอกตัวเองอยู่เออใช่ใช่คือให้เห็นว่ามันมีการปรุงแต่งคือเป็นเป็น <ผม S 2> ภาษา <cứ> พูดในใจเป็นการคิดในใจหรืออาจจะพูดออกเป็นทางวาจาเนาะ ให้เห็นว่าอันนี้ก็เป็นสังขารเอพราะความจริงอะตัวเรามันไม่มีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็มาปรุงซ้อนกันอีกว่าไม่มีตัวเราคือมันมันซ้อนไงเพราะนั่นตัวซ้อนเนี่ยมันก็เป็นสังขารก็ให้รู้เท่าทันแต่ทีนี้เมื่อรู้เท่าทันแล้วต่อไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องปลอบตัวเองเพราะว่าความเป็นตัวเราจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วจริงไม่ต้องมีเอาตัวเราไปปลอบอีกเพราะไอตัวผู้ปลอบมันก็มีตัวเราคือเขาเรียกว่าหลงเนี่ยนะแล้วก็กลายเป็นว่ามีตัวเราอีกตัวนึงที่มาเป็นผู้ปลอบ เพราะฉะนั้นจะต้องเห็นตัวเราที่เป็นผู้ปลออีกทีหนึ่งว่าโธ่ไอตัวผู้ปลอบนี่มันก็เป็นสังขารนี่ว่าคือให้เห็นเป็นสังขารได้หมดแต่ทีนี้ว่าปัญหาคือเรายอมเข้าใจในคําว่าสังขารไหมถ้าเข้าใจแล้วก็โอเคให้เห็นว่าโธ่มันก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเอเข้าใจได้ใช่ไหมถ้าหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นสังขารสังขารเข้าใจได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นให้เห็นเลยให้เห็นเลยว่ามันเป็นอันนั้นคือมันเป็นสิ่งถูกเห็นอะ เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นอย่างเนี้ยแล้วก็สุดท้ายมันก็ดับไปหายไปมันจะดับไม่ดับก็ก็มันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเนะี่ยทําตรงเนี้ให้แจ้งมากๆเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นสติปัญญาที่เขาเรียกว่ามันเร็วมันทันเวลาก่อนที่จะตายก่อนที่สังขารกันห้าจะแตกสลายไปแต่ถ้าเอาตัวเราไปเป็นผู้เข้าใจเอาตัวเราเป็นว่าคือหลองนะอย่างเนี้ยนานเท่าไหร่ก็ไม่ไม่คือแล้วมันเดิ่ช้าไป พรงนั้นต้องเร่งด่วนคือให้เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อว่าครับครับขอบคุณครับขออนุญาตเสริมค่ะคุณมาโนมโนครับขอโทษครับชื่อปลาโน์ครับพอดีติดกระยาใช่ครับอย่างนี้ค่ะคือเดิมทีอะเวลาเราปฏิบัติทมอะเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเราจะปฏิบัติเพื่อก้าวหน้าเพื่อจะไปเอาอะไร มันก็เลยจะต้องมีคำมาประกอบว่าเอ้ยที่เราเห็นตรงนี้มันคืออะไรยังไงคอยแต่คิดวิเคราะห์เพื่อเราอยากจะได้ดาวสักดวงหนึ่งมาประดับบ่าเนาะสำหรับผู้ปฏิบัติก็อยากจะได้คำมาก้าวหน้าเลยมันก็เลยมันก็เลยต้องต้องเคยชินเนาะกับการการคิดแบบโลกโลกที่มันเอ๊ะตอนนี้เราเดินมาถึงไหนละ คือหยู่เช็คพอยต์บ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วว่ามันการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราแบกพวกนี้หมดเนี่ยมันจะเหมือนกับแขนเราเนี่ยมันจะลุงรังไปหมดเลยจริงๆอะ่ะมันทําเพื่อทิ้งเราไม่ได้มาทําเพื่อเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้การที่ทําเพื่อริ้งนั่นหมายความว่าก็ทำท ำ, ทำไปทําไปสักแต่ว่าทําอย่างเงี้ยถ้าทําสักแต่ว่าทํา พอมันมีสติดีขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้อาการคิดหรือวิเคราะห์เลยเนี่ยมันจะน้อยลงหรือสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปแก้ที่ตัวตัวที่ที่มันซ่อนอยู่คือความอยากลึกๆอยากดีอยากก้าวหน้าอยากจะแบบเอ่อมีสภาวะที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆหรืออะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยที่มันเป็นซ่อนอยู่ที่มั น, นเรา ขยันที่จะคิดวิเคราะห์หรืออะไรตลอดเวลาพยายามเทียบเคียงกับตำราบ้งางกับไตรวิดห ม, มบ้างอภิธทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราเข้าใจตัวเองอย่างที่สุดว่าอ๋อมันเป็นไปเพราะว่าไอ้ความอยากของเรานี่แหละเทียบเคียงเพื่อจะได้ดาวเก็บดาวมาเพิ่อมอีกดวงหนึ่งเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่มันรู้ว่าอ๋อไอ้ทาไปเนี่ยมันไปสู่ความความเบาความบางลง ความอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยมันจะค่อยๆตะล่อมทำให้การคิดนิคะห์มันสั้นลงหรือมันน้อยครั้งลงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าจบอเวเขาเฉลยอยู่แล้วว่าทำทั้งปวงเป็นอนาัตตาเนาะหรือสัพเพทัมานาราังอัพี่นิเวสญ า, าเนี่ยทำทั้งปวงอันบุคคลไม่เข้าไปยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยคือมันก็ยึดมั่นถึงมั่นไม่ได้อยู่แล้วมันก็เป็น เป็นว่าอ่าเป็นไม่เป็นตัวตอนอยู่แล้วเพราะนั้นไอ้การคิดวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการจะปิ่งนมีตัวตนเนาะเป็นไปเพื่ออยากจะอยากจะไปถึงจุดหมายอย่างนน เ, เนี้ยโจทเนี่ยโจ์กันเธอเลยเนี่ยมาพร้อมกันอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ะแต่เราอะกำลังอินรียังไม่แข็งแรงพอมันก็เลยแทงไม่ทะลุไอ้คำตอบคำาเฉลยที่เขามีมาให้อยู่แล้ว ก็ต้องไปแก้ที่เรื่องของสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในก็คืออปฏิบัติด้วยความอยากนี่แหละถึงจะอยากดีก็ตามก็ยังต้องพิงประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากครับชัดเจนครับครับด้วยความเคารพคุณมาโนทนะครับคือเอาแบบสดๆร้อนๆเลยเดี่ยวทำเลยตอนนี้คุณมาโนทกําลังทําอะไรอยู่ครับครับผมผมเข้าใจครับตอนนี้ผมก็กลัง กำลังพูดขอบคุณแล้วก็มือดูหน้าจอคือคือผมผมรู้สึกอย่างนี้นะครับว่าหลักการมันก็คือว่าเราเราอย่าไปตกในเนื้อหาคล้ายๆพอทุกครั้งที่เราตกในเนื้อหาเนี่ยมันก็จะเข้าสู่สังขารธรรมไอ้เข้าสู่การปรุงเพราะถ้าถ้าเราเราแต่แม้แต่การตั้งใจซึ่งมันก็เจอความอยากเนี่ยมันก็คือการที่กระปรุงลนะ เพราะฉะนั้นจริงๆไอาการการรู้รู้ที่มันบริสุทธิ์จริงๆมันแปบบ๊แบแ๊บเดียวแปบ๊บเดีย ว, แบบยวแบบน่ากมันน่ากมันก็คือมันต้องอาศัยการสะสมที่ที่นานพอสมควรที่กดมันก็จะค่อยๆเข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้นแต่ระหว่างทางมันก็ต้องผ่านผ่านอุปสรรคคือการที่เรา ม, มรักจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา โดยที่เราไม่เห็นว่าเรากําลังอธิบายอยู่เรากําลังพูดอยู่นซึงมันเป็นมันเป็นความคุ้นชินของคนเราอะครับผมเข้าใจว่าอย่างเนี้ยครับเพราะปกติแลคุณมาโนดกับผมก็ยุคยุคนี้มันสังคมก้มหน้าเนาะเล่นไลน์พอเล่นไลน์เนี่ยลืมทุกอย่างเลยครับลืมว่าตัวเองนั่งอยู่เอ่อมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในไลน์ด้วยเลยอะครับมันไหลไปเรื่อยหมดดังนั้น โอกาสน้อยไหมครับคุณม า, มานุษย์ที่ว่าจะเห็นตัวเองนั่งอยู่ด้วยแล้วก็เห็นเห็นเห็นในไลน์ด้วยนะครับเคยเคยเคยเจอสภาวะนี้ไหมครับที่เห็นตัวเองนั่งอยู่ด้วยแล้วก็เห็นในไลน์ด้วยนะครับเออน้อยครับน้อยครับเพิ่มเพิ่มาเนี่ยเพิ่มามาฟังหลวงพ่อพอ อ, อนเนี่ยผมก็เริ่มเห็นตัวเองจากกำลังก้มนะคุยอยู่กำลังหัวเราะอยู่กำลังพยักหน้าเข้าใจอะไรอย่างเนี้ยครับ แต่ก่อนหน้านั้นวันทีมันคล้ายๆมันอิ่มไปกับเรื่องแล้วมันก็ตัวมันหายไปอะครับคล้ยมันไม่เห็นนะครตรงนี้คุณมานุษเข้าใจคําว่าถูกรู้กับว่าเรารู้มั้เป็นยังไงบ้างครับ อ, อถูกถูกรู้คือมันเราเราเห็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มีมีมีสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวรู้ใช่ไหมครับ แต่ประเด็นก็คือว่าเรามันจะมีคําว่าเราอยู่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเออยังไงผมคิดว่าเราก็สลัดคาว่าเราออกไม่ได้เพราะมันยังเป็นคล้ายๆว่าปรุงทำยังไม่มันมันยังได้แค่นี้แต่ก็แค่ให้เราเข้าใจว่ายังมีตัวเราอยู่ที่เห็นสิ่งต่างๆที่ถูกเห็นนะครับ ตรงนี้ต้องให้หลวงพ่อได้ได้ช่วยเมตตาเพราะว่าผมก็เคยคิดเหมือนคุณมาโนดนี่แหละเลยเลยทิ้งวิธีการนี้ไปเลยแต่ก่อนนั้นมีตาคนหนึ่งให้ผมเห็นตัวเองมันเปรียบเสมือนว่าผมเห็นหุ่นผมเป็นเดินไปไหนมาไหนหเห็นหุ่นตลอดแล้วผมว่าแบบนี้มันยังเกี่ยวเนื่องกับตัวเองผมทิ้งเลยผมก็เลยเสียดายว่าออประสบการณ์ที่มีค่าที่มามาถูกรู้เนี่ยเคยมีแล้วแต่ว่าออมันทิ้งไปเนื่อ ง, องจากว่ายังมันคิดว่ามันมันมีเราเกี่ยวเนื่องอยู่ครับขอความเมตตาหลวงพ่อนิดนึงครับ เอาเมื่อกี้มีประโยคที่ที่ทถามตอบกันนะที่พูดถึงเรื่องเล่นลายนะก้มหน้าก้มหน้าก็คือมีตัวเราแล้วก็มีโทรศัพท์ใช่ไหอแล้วก็ตอนที่ลืมตัวเนี่ยมันก็เห็นแต่โทรศัพท์คือเห็นแต่สิ่งถูกรู้แต่ก็ไม่รู้ตัวเองที่เป็นผู้เล่นแต่พี่โยมมาโนุษบอกว่าเออบางครั้งเนี่ยก็เห็นเขาเรียกว่าเห็นทั้งโทรศัพท์แล้วก็เห็นทั้งตัวเองใช่ไหมเมื่อกี้ที่ตอบแบบนี้นะใช่ไหม ครับผมอ่าทีนี้ขยายความให้หลวงพ่อฟังน็ตทางที่บอกว่าเห็นทั้งโทรศัพท์แล้วก็เห็นทั้งตัวเองเนี่ยเออมันเป็นยังไงไหมลองลองเล่าซิคือตอนนี้มันก็เหมือนกับเห็นเห็นเห็นทั้งตัวเราเห็นทั้งโทรศัพท์เห็นทั้งกําลังอยู่ในห้องเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวอเห็นเรากําลังกําลังพูดตัวตัวเองกําลังพูดตอบอ่าอ่ามือก็มือก็ขยับไปมา แล้วใจก็รู้สึกอติดเต้นครับแล้วแล้วเข้าใจเขาเรียกว่าลองลองสื่อสารออกมาเป็นภาษาพูดเนาะครับเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเรากับสภาพธรรมะที่ที่เห็นตัวเรามันต่างกันยังไงอ่ะเออพูดแบบสื่อสารเพื่อเป็นภาษาของเราเพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจด้วยคือคือสิ่งสิ่งสิ่งที่เห็น มันมันน่าจะมีอันหนึ่งที่คือคล้ายๆว่าเราเราเกิดการรับรู้ขึ้นมาว่าเรามีตัวเรากับสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเราอยู่ซึ่งตรงนี้มันก็ยังมีผูกความคิดว่าเราเป็นคนเห็นอยู่ะครับอ่านะถ้าถ้ายัง ม, มีเราเป็นคนเห็นใช่ไหม ครับผมโอเคแหละเราเป็นคนเห็นแล้วทีนี้กลับมาอีกทีหนึงก็คือเห็นเราใหม่เห็นเราในขณะใหม่ไงใช่เ <_ d ata> พราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็ซ้อนเข้าไปอีกทีมันเป็นขณะเออมันเป็นขณะปัจจุบันอยู่เรื่อยเช่นสมมุติว่าหลวงพ่อบอกว่าสมามุติโยมเล่าบอกว่าอ๋อไอที่สภาพธรรมะที่เห็นเราเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราเนี่ยเข้าใจแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะไปอธิบายเรื่องเนี้ยให้กับคนอื่นได้ ไอ้ขณะที่กําลังอธิบายเนี่ยตอนเนี it it ้ยกลายเป็นว right? ่าเรารู้ไปแล้วเรารู้เรื่องไอ้ที่รู้ตัวเราเพราะฉะนั้นต้องกลับมารู้ตัวเราอีกหมายถึงว่ารู้ตัวเราที่กําลังอธิบายเพราะว่าขณะที่กําลังอธิบายเนี่ยตอนเนี้เรามีฐานะเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ในเรื่องเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่เรากําลังอธิบายนั่นแหละเพราะฉะนั้นกลับมารู้อีกทีหนึ่งว่าอ๋อมีเราเป็นผู้รู้อีกแล้วพอรู้ว่าเราเป็นผู้รู้ปั๊บตัวเราก็เป็นสิ่งที่รู้อีกแล้วในขณะปัจจุบันนั้นเนาะ แล้วต่อมาเรารตัวเราเนี่ยสังขารเนี่ยมันก็ทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยแหละทําำไปทํามาเอา้าแล้วก็ระลึกได้ขึ้นมาอีกแล้วว่าเราเป็นผู้พูดผู้เล่าผู้รู้อีกแล้วอะไรเนี่ยให้มันระลึกได้เป็นเป็นช่วงช่วงเป็นขนาดเป็นขนาดไปอะเนาะเออเหมือนกับว่าให้มันเกิดความชํานาญนั่แหละทําอย่างนี้ก็เพื่อให้ชํานาญก็คือว่าให้รู้อยู่ให้รู้ตัวอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยเออก็พัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันก็จะรู้ตัวเราอย่างแจ่มแจ้งมากขึ้นแล้วก็รู้แบบเหมือนกับว่า เอ้ยเราไปไหนเราทําอะไรมันตามรู้ไปเลยคือมันรู้เลยอะ่ะเออมันรู้เราไปเรื่อย ๆ, ๆนะแต่หลวงพ่อฟักแล้วแหละโยมเริ่วมอ่าร่วมเข้าใจแล้วล่ะก็ไปพัฒนาเนาะพอไปพัฒนาปับ๊บมันก็เอาตัวเราไปพัฒนาแล้วก็จะรู้เลยว่าเอา้าไอ้ตัวเราพูไปพัฒนามันก็เป็นสังขาร น, นะ <c oughs> คือรู้ว่า <c oughs> คือ <c oughs> คือ <c oughs> ไม่ได้ทําลายไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> เพียงแต่รู้เท่าทันว่าเอา้ามันมีตัวเราอีกแล้วอย่างเงี้ยอย่างวันก่อนเนาะของโยมเพนะิินเนาะหลวงพ่อบอกไปทําการบ้านว่า ยมเฟิงก็เอาตัวไปทําการบ้านแต่พอตอนหลังก็เลยชีย้ให้เห็นว่าไอ้ที่ไปทําการบ้านเนี่ยมันก็ดีนะจะได้เห็นตัวเองว่าไอ้ตัวผู้ไทยผู้ไปทําการบ้านเนี่ยจริงๆแล้วอะมันเป็นสังขารปรุงแต่งเอออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ย ท, ที่เราคุยกันทั้งหมดอั่แหลรบอกว่าให้ไปทำนู่นทำนี่อให้ไปทําเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้ว่าผู้ไปทําอะมันเป็นสังขารมันไม่ใช่เราแต่บางคนน่ะไม่เห็นพอไม่เห็นว่าไอ้ผู้ไปทําเนี่ยไม่เห็นว่าเป็นสังขารเนาะ เลยมันเข้าไปยึดถือด้วยไม่รู้ด้วยความไม่รู้ก็เลยหลงว่าเป็นตัวเราเป็นผู้ทําการบ้านเนี่ยเพราะนั้นนะ่ะไปทำเบอรทําทอะไรก็ได้แต่ให้รู้ว่าผู้ไปทําอ่ะมันไม่ใช่เราอฟังทันไหมหลงว่าพูดเร็วไปฟังทันไหมเอ่ยคุณมานโนได้ฟังทันไหมคะทันทันครับทันครับอ๋อแต่ว่าคือด้วยคล้ายๆว่า ผมยังไม่เห็นแบบหลวงพ่อครับเพราะว่ามันอันนี้มันมันก็มันก็ในนอนอยู่แล้วเพราะคือเพราขึ้นมันว่าต้องดุลกำเนิดกำหลอกตัวเองว่าเออมันไม่เห็นตัวมันมันไม่เห็นตัวเราครับอ่าเดี๋ยวผมว่าเข้าใจว่ามันต้องฝึกไปเรื่อยๆก่อนแล้วเอาเอาเอาเอาคำใหม่สดๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเอาสดๆเลยที่บอกว่าผมไม่เห็นตัวเรานะเอาคํานี้เลยหมายถึงผมไม่เห็นว่าผู้ผู้รู้ก็เป็นผู้รู้ก็เป็น ผู้รู้ก็ไม่เออไม่ใช่ตัวเราครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีวนะเอาใหม่นะ <c oughs> เมื่อกี้บอกว่าผมยังยังไม่เห็นตัวเราเหมือนหลวงพ่อใช่ไหรู้สึกพูดอย่างนี้เนาะแต่มันผ่านไปแล้วแต่ว่าทวนนิดหนึ่งผมสงวรรโยมพูดอย่างนี้เลยพูดครับผมอ่ะ<ๆ>ยังไม่เห็นตัวเองยังไม่เห็นตัวเราเหมือนหลวงพ่อ คือ <C commun ic> ทีนี้คือ <C commun ic> เดี๋นนาควงนิดหนึ่งก่อนนะครับผมครับอ่าโยมบอกว่าผมเนี่ยยังไม่เห็นตัวเองเหมือนที่หลวงพ่อเห็นนะสุภาพพูดอย่างนี้นะจริงๆ <LinkedIn S 2> อะ่ะไม่ใช่ว่าเอาตัวตัวโยมไปให้เห็นไม่ใช่ว่าเอาตัวโยมจะให้เห็นตัวโยม but, แต่ให้เห็นตัวโยมผู้พูดอ่ะผู้พู ด, พดว่าตัวโยมอ่ะยังไม่เห็นเหมือนที่หลวงพ่อเห็นให้เห็นตัวโยมคนที่พูดเลยเพราะฉะนั้นตัวโยมเนี่ยไม่ต้องไปเห็นอะไรอีกเพียงแต่ว่าให้เห็นตัวเองที่ว่า เมื่อกี้เนี่ยพูดอย่างนั้นครับเข <ลง S 2> ้าใจแลครับเออเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลามันหลงน่ น, นะเหมือนกับว่ามันจะเอาตัวเราไปให้เห็นตัวเราซึ่งยังไม่เห็นตัวเราพยายามเห็นตัวเราเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นแต่หลวงพ่อว่าไม่ใช่วิธีนั้นวิธีที่ถูกต้องคือให้เห็นตัวเราผู้จะไปทำให้เห็นตัวเราอะครับครับเออตรงนี้นะจำหลักให้แม่นเลยจริงๆอะคนเราเนี่ยบอกว่า ผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ผมยังไม่เห็นตัวเองอย่างนี้ท่าเกับว่าพยายามจะเอาตัวเองเนี่ยเพื่อให้เห็นแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เห็นตัวเองที่กำลังอยากจะทำให้เห็นเห็นตัวนี้แล้วเมื่อเห็นตัวนี้แล้วคือจบแล้วตัวเราไม่ต้องไปทำอะไรอีกครับครับแจ้งแจ้งครับอ่าเนาะเออเออถ้าถ้าเข้าใจชัดนะ ชัดเจนครับอ่าโอเคโอเคดี๋ยละเดี๋ยวละอ่าแล้วคนอื่นที่ฟังแบบนี้นะลองลองดูนะว่าตรงนี้มันมีประโยชน์มากเพราะว่าหลายคนก็หลงเหมือนกันหลงก็คือว่าเหมือนกับว่าเอาตัวเราเนี่ยไปทําบ้างเอาตัวเราไปเพื่อจะให้เห็นตัวเองบ้างอันเนี้ยผิดแต่ทางถูกของมันก็คือให้เห็นตัวเองผู้อยากจะไปทําอ่ะผู้อยากจะไปทําอ่ะผู้อยากจะทะําทให้ได้ให้เห็นตัวเนี้ยซึ่ ง, งมันแบบเป็นญ้าปักคอกมากๆเลยมันอยู่ใกล้ที่สุดเลย อ, ะอ่ะเออ ถ้าเห็นสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันจะจับทางได้แต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็ให้มันลงไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยว่ากันที่เราพูดมาทั้งหมดเนะี่ยตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะแล้วก็หลวงพ่อเน้นเรื่องของความรู้สึกตัวเรื่องของความรู้สึกตัวแล้วก็จริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็มีได้แค่ในขณะปัจจุบันขณะดเท่านั้นน ะ, ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราคุยเนี่ยที่เราสนทนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของแบบเออเป็นงานเป็นเรื่องของโลกโลกเนาะแต่ขณะที่เราเราพูดเราคิดเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าต้องมีความรู้สึกตัวตามที่เราฝึกมาหมายความว่าผู้ที่ฝึกมามากแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวค่อนข้างจะต่อเนื่องหรือว่าระลึกรู้ได้เร็วเช่นเดิมเนี่ยเราคุยเรื่องภรรมะเนาะพอเราคุยมาเรื่องโลกปั๊บเปลี่ยนแล้วมันก็จะรู้ทันเลยว่าเออตอนเนี้ยเปลี่ยนแล้วเพราะว่าความระลึกได้ความรู้สึกตัวคือ มันตามเห็นเหตุการณ์ที่กําลังมีกําลังเป็นเนาะแล้วก็ดําเนินไปตามหน้าที่ตรงนั้น mm. เช่นเราพอเอาเรื่องโ mm. พดเรื่องโลกแล้วก็ทํางานแบบโลกโลกนั่นแหละแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยหรือความระลึกได้มันก็มีคู่กันอยู่เนาะมีคู่กันอยู่เช่นอ่าสมมติว่ารู้แล้วเราไปคุยเรื่องโลกแล้วก็มันก็ทิ้งเรื่องธรรมะมันก็รู้แล้วว่าทิ้งแล้วคือวางตรงนั้นแล้วก็มามาอยู่กับตรงนี้มาทําตรงนี้ทีนี้ระหว่างสนทนาระหว่างออกความที่เห็นตรงเนี้ย บางทีเนี่ยถ้าคนดูจิตเป็นเนี่ยมันจะง่ายมากเลยว่าระหว่างที่เราแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นมอบอะไรเนี้ยมันความรู้สึกในจิตเนี่ยมันแสดงสมมติมันจะมีอาการอย่างไรเนี่ยเช่นอาการรู้สึกว่าขัดใจถูกใจหรือขึ้นมาอยามันบ่นมันอะไรเนี่ยนะมันก็จะรู้จะเห็นเพราะฉะนั้นในขณะที่ทํางานทั้งโลกเนี่ยมันก็สามารถปฏิบัติทําได้ด้วยการที่รู้จิตรู้ใจตัวเองเนี่ยว่าเออมันมันพูดอะไรในใจมันรําคาญมันหงุดหงิดมันพอใจมันรู้สึก สิ่งเหล่านี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งในจิตซึ่งห้ามไม่ได้แต่รับรู้มันได้ถ้ามีสตินะเพราะนั้นก็ฝึกสติได้ตลอดในช่วงระหว่างที่ทํางานทางโลกนะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเออบางทีนะอย่าเผลอเพลิอนอย่าเพลินไปกับโลกอย่าเพลินไปกับธรรมคือ <c oughs> ไม่เพลิอนอ่ะมึกลึกลึกได้อยู่ทุกเหมือนกาบว่าอะไรที่เกิดขึ้นในจิตนะโดยเฉพาะในจิตนะผู้ที่ทํางานน่ะถือว่าเยี่ยมแล้วอ่าแล้วก็รับรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปเนาะไม่ได้ติดใจอะไรพักผ่านไปผ่านไปแค่เนี้ย ทำให้การเจริญในทางธรรมเนี่ยมันก็เข้าหน้าได้เร็วเนาะแล้วก็สามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ว่าออทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตในใจมันเป็นสังขารบ่งแต่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เรามันเป็นปกติของขันห้าซึ่งมันเป็นเช่นนั้นเองตนะอนนี้ก็ฝากไว้